ด้วยธรรมชาติและมาสมทบด้วยประสบการณ์ว่าสิ่งที่ดีที่เราได้ทำและสะสมไว้ย่อมทำให้เกิดความดีเช่นเดียวกันเรื่องน้อยเนียเราทำความดีแล้วหวังว่าผลดีมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะ มนุษย์จะทำอะไรโดยที่ไม่ไดีหวังทำดีโดยที่ไม่ไดีหวังดีอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแรงบันดาลใจให้เขาทาแต่ส่วนมากที่เราทำความดีเนี่ยเพราะเราหวังว่าจะเกิดเรื่องดีกับเรานี่สำหรับมนุษย์โดยที่ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงหลักการศาสนานะมนุษย์ทั่วไป แต่ถ้าเราไปดูในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นคําสั่งสอนทีน่ชัดเจนแต่ระหว่างคำสั่งสอนของศาสนาที่ปลูกฝังไว้ว่าการทําความดีย่อมทําให้พบกับความดีหรือได้รับการตอบแทนที่ดีนอกจากคําสั่งสอนของศาสนาต่างๆสัญชาตยาน ที่มันมีอยู่ในในในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันช่วยที่ช่วยทำให้มนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์เดรัจฉานอย่างสิ้นเชิงพอเรื่องความดีกับความชัว่วนี่สำหรับสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้มีมาตรฐาน สัตว์เดรัจฉานอาจจะมองว่าการฆ่าลูกของมันเองเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นความดีอันนี้ในในสัญชาตญาณของของสัตว์แต่ของมนุษย์ความดีกับความชัว่วนี่มันค่อนข้างมีค่อนข้างมีมีมาตรฐาน เหมือนกันใกล้เคียงกันและนี่เหตุผลที่ทำให้มนุษย์บางยุคให้ความสำคัญกับความดีกับและความชั่วเนี่ยถึงขนาดที่สถาปนาสองอย่างนี้เป็นพระเจ้าเช่นศาสนา ศา ส, สนา เ, ออเปอร์เซียที่เขาบูชาไฟกันเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกนี้นี่มีมีอยู่สองพระเจ้าสององค์องค์แห่งความสว่างองค์แห่งความมืดความสว่างก็คือความดีความมืดก็คือความชั่วเนื่องจากว่ามนุษย์ตั้งแต่เด็กดําบันี่ เห็นโลกนี้มีอยู่สองมิติที่ควบคุมทุกบริบทของชีวิตคือความดีกับความชั่วมันไม่มีอย่างอื่นที่จะมากำกับชีวิตของเรานอกจากนอกจาก อ, อย่างนี้ความดีกับความชั่วความดีกับความชั่วจึงเป็นเรื่องที่มันมันอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีคำสั่งสอน ศาสนาอย่างเอกเทศค่อย่างเอกเทศหมายถึงว่ามนุษย์สามารถรู้ความชั่วความเลวส่วนมากโดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งสอนที่มาจากพระเจ้าซึ่งต่างจากความเห็นของปราชมุสลิมในรุ่นหลังโดยเฉพาะทัานนของอิบามอบูุลฮัสซันละชารี และกลายเป็นแนวทางของอชัยระในรุ่นหลังว่าสมองของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจำแนกระหว่างความชั่วกับความดีด้วยตัวเองศา ส, สนาต้องมาชี้นำด้วยเหตุผลนี้เขาบอกว่าบางทีเรื่องที่มันดีในทัศนะของสมองมนุษย์เนี่ยศาสนาอาจจะ อาจจะตัดสินว่าไม่ดีก็ได้หรือเรื่องที่มนุษย์นีิมองว่ามันไม่ดีศาสนาอาจจะตัดสินว่ามันเป็นเรื่องดีก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่จะชี้ขาดว่าเลวหรือดีในทัศนะของอรชัยร้อนนี้ก็คือศาสนาโมตสิละซึ่งจะเป็นจําพวกตรงข้ามกับพวกอรชัยร้อน ไอเชัยรอนี่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสติปัญญาในการในการกำหนดความดีกับความเลวอันที่จะนำมาซึ่งการกำหนดผลบุญและผลบาปเพราะเหตุผลที่จะรู้ว่านี่ดีหรือไม่ดีนี่นะก็คือทำทำมันอะทาดีแล้วก็เลี่ยง สิ่งที่ไม่ดีและทำดีหวังอะไรหวังไม่ผลลบุญเลี่ยงไม่ดีหวังหวังอะไรพ้นจากบาปอาชารเราบอกว่าต้องศาสนาเป็นผู้กำหนดเพียงผู้เดียวมอเตอร์ไซคเาบอกว่าไม่พอถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เกิดโดยไม่มีศาสนา หรือมีศาสนามีคำสั่งสอนแต่เขาไม่สามารถเข้าถึงศาสนาอย่างครบถ้วนเขาจะไม่สามารถกำหนดเรื่องดีและก็เรื่องเลวด้วยตัวเองด้วยหรือเช่นยกตัวอย่างคนรับอิสลามใหม่ในสังคมที่ขาดความรู้เรื่องศาสนาอิสลามอาิสลามใหม่นี่ไม่มีใครบอกเขา ว่าผิดประเวณีเนี่ยมันบาปดื่มเหล้านี่มันไม่มีใครบอกพอดีพอดีรู้เรื่องศาสนาอิสลามนี่ก็คือเรื่องอากดีได้เรื่องหลักความเชื่อหลักๆด้วยนะหลักๆอย่างเดียวแต่เรื่องปีกย่อยหรือเรื่องหลักการทั่วไปนี่ไม่รู้ฉะนั้นด้วยสติปัญญาของเขาสามารถที่จะรู้ไหมว่า ประเวณนี่น ม, นมันไม่ดีเรื่องนี้นี่มีมีความสำคัญในการที่ศึกษาเรียนรู้เพราะมันมันเป็นประเด็นร่วมสวัยถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่ปาดเข้าคุยกันว่าเป็นพันปีแล้วนะแต่ควรศึกษาและมันจะสอดคล้องกับอญญายะที่เราจะเรียนนิดหนึ่งเพราะมันเป็นประเด็นร่วมสมัยที่สามารถใช้ได้โตเถียงได้พูดคุยได้กับคนที่เห็นต่าง กับคำสั่งสอนของอิสลามเฮ้ hey, บ่อนคาสิโนนี่มันบาปมันห้ารำนะเฮ้ย hey, ไม่ต้องเอาอิสลามมาพูดไม่ต้องมีอิสลามก็ได้ใช้สมองนี่นะสมองสมองเอาสมองควายมาใช้ก็ได้เอาสมองเดราชานมาใช้ก็ได้เอาสถิติของพื้นที่ต่างๆที่เขาเคยทำบ่อนคาสิโ น, นแล้วก็มาดูมาดูมาวางบนโต๊ะแล้วก็ใช้สมองอย่างเดียว แล้วดูนี่มันเร็วหรือไม่เร็วผลลัพธ์ของการที่เราจะให้ความสําคัญกับสติปัญญาชาวสารลับว่าอย่างไงนะวันนเห็นนะมอเตอรซิลล์ว่าอย่างมอเตอรซิลล์เขาว่ า, ตวาสติปัญญาสำคัญอาจารอบอกว่าสติปัญญาไม่สำคัญสารับเขาว่างไง ทิมามอินุไตมีะได้รางานและก็อ้างจากความเห็นของซาฮาบะอินุนจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการรายงานทัศนคของซลับเพราะทัศนคของซลับเนี่ยมันคือความเห็นที่มันถูกเสนอออกมาเป็นวาจา เป็นฝฟกตัวเป็นเป็นข้อเขียนก็ได้ซึ่งเยอะ ม, มากยุคสล拉伯นี่สามศตวรรษสามร้อยปีซาบะทับีอินตับีอิทบีอ น, นโอ้อุลมานับนับเป็นพันเป็นหมืน่นคือจะได้บอกว่าสล拉伯เขาอะไรอย่ า, างงี้สล拉伯เขามีความเห็นอย่างนี้เนี่ยคือจะ ไม่ใชคนอ่านหนังสือมุฮัมมัดมาฮับเล่มหนึ่งเรียนหนังสืออากีได้เล่มสองเล่มเนี่ยก็จะสามารถพูดแทนสลับได้ <laughs> เรื่องนี้เนี่ยอุลมามะเขาเริ่มพูดประเด็นนี้เนี่ยเพราะการแอบอ้างสลับนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ไม่ใช่แม้กระทั่ง อิมอามอุบนียนี่บางทีนี่ยอ้างถึงเรื่องสลับแล้วก็มีอุลามะที่ยังจะแ ย, ย้งบอกว่าอ๋อไม่ใช่เนี่อันนี้ไม่ใช่ความเห็นของสลับทั้งหมดไม่มีเอกฉันไม่มีอิจมาอ้างว่าเป็นของสลับทั้งหมดเนี่ยก็ไม่นะก็มีคนยังแย้งนะแต่อิมามอุเบตเนียเป็นที่รู้ ก, กันว่าแม่นยําที่สุดในการที่จะอ้างทัศน์ของสลับอิมามอุเบตเนียบอกว่าทัศน์ของสลับสว่วนมากโดยเฉพาะสฮาบะ ให้ความสำคัญกับการชีนนำของสติปัญญาหมายถึงว่าการที่มนุษย์จะเลือกทำสิ่งที่ดีหรือเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ทำสิ่งที่เลวหรือไม่ดีอาจจะไม่ต้องใช้ตัวบทก็ได้และผลลัพธ์ของการที่เขาเลือกสิ่งที่ดีที่เกิดจากนะเกิดจาก สมองตัวเองนะ่ะไม่ดีก็จากตัวบทนะเลือกทำสิ่งที่ดีเลี่ยงทำสิ่งที่ไม่ดีผลลัพธ์ของมันเนี่ยได้ผลลัพธ์บุญไม่ได้ผลลัพธ์บุญแต่ถ้าเราจะบอกว่าอ๋อไปทำความดีทำความชั่วตามทัศนะสติปัญญาของตัวเองอ่ะโดยที่ไม่มีตัวบทชี้นำเลยเนี่ยถ้ตามมาชาวรือแบบนี้นี่นะทำดีก็ไม่ได้บุญเพราะอะไรเพราะทด้วย ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานไม่ได้มีชรัรอไม่ได้มีเชริอมามาชีน้นาทั้งหมดนี้เราบอกว่าในกรณีที่เราศึกษาไม่ถึงตัวบทหลักฐานหรือคำชี้นำของศาสนาแต่ในกรณีที่เราศึกษาเรียนรู้แน่อนอนศาสนามันก็คือฟันตรงอยู่แล้วเมื่อมีตัวบทและสติปัญญานีก็จะไม่มีบทบาทสูงนัก เมื่อมีตัวบทแล้วแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวบทล่ะในกรณีที่มยังไม่มีศาสนาล่ะอย่าว่าไม่มีศาสนานะเขายกตัวอย่างผู้รู้เนี่ยเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าในกรณีที่ยังไม่มีศาสนาและเราอยากจะให้คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยได้รับรู้ศาสนาเนี่ยเขาจะใช้อะไรศึกษาใช้อะไรศึกษาเออ รู้กันเดือดยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่อยากจะรู้ว่าอันไหนถูกต้องอ่ะอะไรคือศัตริธรรมจะใช้อะไรช่างเจ้าอิสลามต้องมีอิสลามจะได้บอกว่าอิสลามถูกต้องเหมือก็บเออมือนก็วนเวียนงนเอาอิสลามมาชีน้นาว่าอิสลามถูกต้องเขายัางไม่อยอมรับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกต้องไง เขาต้องการวิสูตรตอนว่าศาสนาไหนนี่จะใช้อะไรเป็นเรื่องตัววิสูจน์และแบบนี้นอิสลามไม่ใช่คือกุราน่ะให้อิสระในการใช้สติบัญญัตใช่ดี ก็ดีทั้ง น, นาบีมัชชานชวนมนุษยชาติเนี่ยให้รับอิสลามนี่นะคุรานนีมีนสารบานะัดอฟัฟลาตักกลูนอฟัฟลาตัดตะบารูนอฟัฟลตะตัตะฟั ก, กรูนก็ไมไม่ใช่สติปัญญาใช่ใช้ในการรู้สัจจะในการรู้อิสลามตั้งแต่ต้นเลยนะสติปัญญานี่มีอยู่สองส่วนจะต้องเข้าใจนะอันนี้เคยอธิบายมาแล้วหลายรอบก็อธิบายครั้งหนึ่งเพื่อ มีคนที่ไม่อยู่ตอนนั้นนะครับตอนที่อธิบายแล้วสมองอ่ะในกุฎอ่านในเวลาพูดถึงสมองนะหมายถึงอะไรหมายถึงหัวใจหมายถึงหัวใจในกุฎอ่านนี่ระหว่างสมองและหัวใจเนี่ยไม่มีการจําแนกถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันเป็น ององเดียวกันองรวมอต่ละหุ่มหัวใจที่ไม่ใช่คิดกันอันเดรหัวใจที่ไม่ใช้คิดกันอันดรหัวใจลี่ไม่ใิดกันอันเดรหัวใจที่มุสล่คิดกันอันเดรหัวใจที่ไม่ใช่คิดกันอันเดรหัว่ไมคิดกันอันรวใจที่นมคิดกันอันเดรงัวใจที่ม่คกันอันเรว่ไม่่น บาปนำไปสู่บนสิ่งที่นําไปสู่นรกนําไปสู่สวรรค์แล้วก็จำแนกได้นะและเลือกเลือกสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากอยากได้ดีนะ่ยนะพอเลือกทางที่ดีแล้วเนี่ยนั่นะนะนะคือตะ ก, ก, กัาจําแนกเฮ้ยเอ็งแยกไม่เป็นนะ่ะเราจะชื่เออแยกไม่เป็นนะ่ะแล้วก็ชี้ถึงแต่นบีบอกว่าตักวฮะฮูนะนบีไม่บอกว่าตะกัวฮฮูนะ แสดงว่าระวังสมองกับหัวใจนี่เป็นก้อนเดียวกันเป็นเป็นชิ้นเดียวกันช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าจะรักให้ใช้หัวใจถ้าจะแต่งงานก็ใช้สมองขยดินไหมประโยคเนี้ถ้าจะรักก็รักด้วยหัวแต่ถ้าจะแต่งงานเพราะมันมีสินสอดมีมีมีค่าใช้ใจ่า <laughs> ยไอ้ที่รักวาเลนไทน์นี่มันไม่มีค่าใช้ใจ่าย มันฟรีทุกอย่างทุกอย่างมันฟรีพอจะจ่ายตังค์แล้วเนี่ยต้องต้องใช้สมองหน่อยอันนี้หลอกชาวบ้านแน่นอนทั้งนี้เรื่องหัวใจและสมองเนี่ยมันมีภายใต้จิตสำนึกที่สามารถให้คำตอบได้สำหรับมนุษย์ทุกคนโดยที่ โดยที่อาจไม่ต้องไม่ต้องถามศาสนาก็ได้และภายใต้สัมฤทธนี้มันก็คือส่วนหนึ่งของหัวใจอะลับอิมามอะฮฺมัดท่านนบิซอลลอฮฺวาละยูซุลอะลัยฮินะท่านนบบิรับอกวะอิสต์ฟติกัลเบคฺวอินอัฟตักัลมุฟตนเจ้าจงถามขอฟตววฟตัวจงถาม หัวใจของเจ้าถึงแม้ว่ามีผู้อื่นนี่เขาตอบนบีนี่หมายรวมว่าหัวใจของเราเนี่ยสัญชายตยานภายใต้จิตสำนึกของผู้ศรัทธานะี่นบีกำลังพูดถึงหัวใจของผู้ศรัทธานะสามารถให้คำตอบที่เป็นธรรมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสบายใจได้ในการปฏิบัติสบายใจสำหรับผู้ศรัทธานะ แต่การปฏิบัติถึงแม้ว่ามีผู้อื่นในเขาฟาดตัวเยอะแยะไปหมดอ้าวนี่ไแล้วคนที่จะให้คําตอบนี่ก็จจะเป็นผู้รู้ก็ได้แต่บางทีเนี่ยผู้รู้ให้คําตอบบางอย่างจะเราไมไ่สบายใจอาจารย์อันนี้มันบาปไม่ใช่หรืออ๋อไม่บาปเราทํำไปเหอะเราก็ไม่สบายอาจารยอ์อีกคนนึงอีกค น, นขออีกคนนึงขออีกคนนึงอาจารย์ เรื่องนี้มันมันมันไม่ค่อยดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่อย่าไปคิดมากทําไปเถอะแต่ใจเรานี่นะฟัดตัวไม่รู้กี่คนล่ะตัวอย่างใกล้ๆตัวน่นนะครับบุรีอาจารย์บาบไม่ไม่บาบมะกรูมะกรูแปว่าอะไรมะกรูกับกับแปว่าไม่บาบทําได้หรือทาไม่ได้ก็ทําได้เอาล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วมั้งแค่แค่แค่มะกรู ถ้าจะที่บานคําว่าแค่มกรนิม่งโอโหอาจารย์ฮ a ร a m ไม่ไม่ฮ ARAM มะกรูนจริงไหมละ่ะมีอุลามาผู้รู้ระดับโลกนะระดับโลกถ้าไปดูฝั่งของเชียร์นี่นะโอ้โหผู้รู้ของเชียร์นี่นะบางทีเนะี่ย สูบุรีในฮเซเนีฮเซเนีก็คือมัสยิดน่เาสูบุรีในมัสยิดและแต่สุนนีเราเนี่ยังยังยให้กเก็บอยากเกมัสยิดหน่อยนะเออไม่ถึงขนาดที่ผมเคยสามสิบปีแล้วเคยละหมาดนำตราวีแถวต่างจังหวัดนำตราวีเสร็จแล้วหคนเขาก็ก็ละหมาดตามผมนี่ก็ถือว่า พรเองนะประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาอ่ะเขาอึดอัดมากเลยล่ะเพราะเขาปกติเขาจะละหมาดกันครึ่งชั่วโมงแล้วก็อิหมัมมัสสิดนั้นนะเขาบอกเขาเช็คมาละหมาดให้หน่อยว่าแบบไว้ละหมาดชั่วโมงหนึ่งพอเป็นละหมาดชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นแหละซาลาห์ออลีกุมุสซาลาหนี่ยกลังออกนี่นะฟึบบุรีมาในมัสสิดเลยนะบางนี่บังอยู่ในมัสสิดเนะ่ยเช็คผมยังไม่ได้จุดนะ ยังไม่ได้จุดบุรี่เลยนี่แค่ควักออกนกันนี่กำลังเตรียมตัวมัสยิแถวบ้านคุณนัน <laughs> ่นแะววนี่คุณกันนี่ยังไม่ทําอะไรเช็ดอย่าว่าผมเนี่ยผม่ยังไม่ได้สู่บุรี่อดจจให้เกียรติยังให้เกียรติมัสยิดอยู่แต่ถามว่าพฤติกรรมของพี่น้องกันนี้ผมไม่โทษเลยนะถ้าเป็นอาวามคนเราผมไม่โทษเลยทําไมก็เห็นทุกข์ผม ซุนมีนี่หมายถึงว่าทุกฝ่ายนะรวมถึงคนที่แบบว่าอ้างว่าเป็นซุนนาเคงคัดนะนะบางที่เนี่ยตอนบรรยายเนี่แต่นี่นานละสมัยที่แบบว่าคนส่วนมากเขามีตระกูลโนโตคูส่วนมากี่สุบุหรี่ล้วแล้วแล้ต่ตะกรล น, นู้นนี่ยไม่ตามําเนีเพราะตะกูล น, นู้นเรื่องบุหรีเนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้ภัยของมันและนี่คือสาเหตุที่โตคูสมัยโ น, น, น้นน่ะนะเขา เขาค่อนข้างมีความเชื่อว่าในเมื่อมันไม่ไม่อันตรายแล้วมันจะหรามทำไมแต่มีผู้รู้ที่ประเทศอียิปต์เขียนหนังสือเพราะตอนตอนนั้นนะ่ะคนที่หาว่าบุรีหรามนีก่ก็มีวะฮับีวะฮเบีอย่างเดียวเนี่ยสูบบุรีฮามกินกาแฟฮ า, ามดื่มน้ำชา ก, ก็ฮารักฮารักทั้งนั้นนะะทั้ง มาอาสฮัตบางคนเนี่ยก็เลยเขียนหนังสือตอบโต้บอกว่ออาฮร r า m ทำไมมันแสดงถึงความมีอารยะการสูบบุหรี่การดื่มน้ำชาดื่มกาแฟเพราะอะไรเพราะคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มน้ำชากินดื่มกาแฟเนี่ยตอนนั้นน่ก็คือช่วงจกวักรวรรดินิยมเนี่ยคนที่เอาเรื่องนี้นี่มาเผยแพร่เนี่ยก็คือพวกอังกฤษพลับ พขาก็แสดงถึงอะไรแล้วตอนนั้นยังไม่มีหลักฐานเลยว่าสูบุหรีจะเป็นมะเร็งอะไรยังไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยมองว่าของนี่เรื่องอะไรจะไปห้ามละ่ะเขาเขาเขาประมวลด้วยด้วยตัวบทหลักฐานว่าถ้ามันไม่อันตรายอ่ะอะไรจะเป็นข้อห้ามละ่ะแต่แตนี้มาอ้าง ข, ข้อนี้ไม่ได้ไนงะ แต่คนทั่วไปเนี่ยคนทีน่อ่านวิทยาศาสตร์ดีหาข้อมูลดีๆนะนะพอไปฟังอุลมาปัจจุบันเนี่ยที่ยังยึดในทัศนะเดิมๆว่าสุบุหรีนี่มันไม่บาปแต่ใจเขานี่มัน ไ, ไม่บาปได้งไงบุหรีนี่มันก่อมะเร็งไม่รู้กี่สิบมะเร็งอะและ้ววิทยาศาสตร์บอกว่าบุรีนี่มันก่อโรคมากกว่าเหล้ามากกว่าสุราแล้วก็สุรานี่มันมันบาปอยู่แล้วใช่ไหม ชะไหบุรีมันจะไม่บาปได้ไงต้องบาปดิัสถาบันการศึกษาห้ามนักเรียนนักศึกษาเสพยาทุกชนิดห้ามโดยเด็ดขาดนะใครถูกจับเสพยาเสพติดนี่นะไล่ออกเลย แล้วตอนที้กำลังประกาศกับนักเรียนเนี่ยคู่ที่ประกาศเนี่ยห้ามนะห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะสุบบุรี่เป็นเปได้ไงยาเสพติดบางชนิดนะไม่ก่อรูปหรืออันตรายหรือภยัยเท่ากับบุหรี่แต่นี่ดูอิทธิพลของของความรู้ของฟะตัวของผู้รู้บางทีเนี่ย มันมากกว่าอิทธิพลของของวิทยาศาสตร์คนเขาเชื่อตุ๊กขูหรืออาจจะบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้เชื่อหลอกแต่แต่มันมันถูกใจแต่ไม่ได้ถูกต้องแต่ถูกใจเพราะเขาอยากสูบบุรีง่งแต่นี่มันแค่ตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าสติปัญญาของเราเนี่ยมีประโยชน์สติปัญญาก็คือหัวใจนะ มีประโยชน์ในการจำแนกความดีกับความชั่วและมีผลในการที่จะสนองคาสั่งสอนที่อยู่ในคุรานอใครี่ส่งท่านนบีสุลตสดงให้เข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าดีหรือมันเลวอ่ะนะการจำแนกของสมองของเราเนี่ยมันช่วยได้ดีช่วยและช่วยช่วยให้เราได้บริหารชีวิตของเราอย่างมีประสิทธิภาพแต่มัน ต้องตรวจสอบว่าสมองใครอะสมองคนที่เติบโตโดยไม่ไม่มีคําสั่งสอนอิสลามเลยไม่มีพระเจ้าเลยมันจะช่วยได้ไหมอาจจะช่วยได้แต่ไม่ใช่ไม่ช่วยไม่เยอะแต่สมองและหัวใจของคนที่มีความเมียมเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอูตานะก็มีการศึกษาใรนรศา ส, สนาเนี่ยอันนี้นะีสมองที่สดใสหัวใจที่ขาวสะอาด ที่สามารถช่วยได้ถ้าหากว่าเราได้สับสนเกิดความสับสนในคำพูดในคำชี้แนะของผู้คนผู้คนนั้นจจะเป็นผู้รู้หรือไม่ได้เป็นผู้รู้ก็ตามเราได้อธิบายอายะที่ยี่สิบห้าซึ่งอายะนี้มันก็คือปรับความเข้าใจที่เกี่ยวกับอายะยี่สิบสี่ ที่อัลลอฮ์ได้ตํามเนี่ยเรื่องโลกดุนยานี้ว่าโลกดุนยานี้มันชั่วคราวมันไม่มีค่าแล้วอัลลอฮ์ไม่เชิญชวนให้เราหลงตามดุนยาแต่อัลลอฮ์เชิญชวนเราไปสู่สถานที่แห่งสนันติก็คือส่วนสวรรค์ดารุสสลามเราได้อธิบายว่าดารุสสลามนี่ก็คือส่วนสวรรค์เที่ยงไม่ได้อธิบายเราบอกว่า อัสสลามคือพระนามของอัลลอฮ์อันที้เราพูดแล้วนะอัสสลามนะคือพระนามของอัลลอฮ์ดารุสลามก็คือบ้านของอัลลอฮ์ก็คือส่วนสวรรค์หรืออัสสลามนี่คือสันติคือสิ่งที่มีแต่สันติปราศจากภัยต่างๆก็มีแต่สวรรค์สวรรค์ที่ไม่มีภัยอะไรเลยมีแต่สวรรค์อย่างเดียวอัลลอเชิญชวนให้เราไปสู่สถานที่ไปสู่ชีวิต ที่ปราศจากภัยทุกภัยทั้งสิน้นแต่เหตุผลหนึ่งที่สาว น, นี้ยังไม่ได้อธิบายนะทีรีที่สวรรค์ถูกเรียกว่าดารุสลามนี่เพราะคำทักทายของชาวสวรรค์นเนี่ยคือการให้สลาม ชาวสวรรค์ท oh. ักทายกันเองด้วยส ل ا م แต่ฮยตุหุม فيها ا س ل ا م ชาวสวรรค์ทักทายกันดาวหุม فيها سبحانك اللهم وتحيدهم فيها سلام มาเลก้าก็จะมาทักทายชาวสวรรค์ด้วย سلام سلام อาลัยคุมติบตุมฟดุฮลูฮะข้าลิดิดคทักทายของมาเลก้าต้อนรับชาวสวรรค์ให้เข้าส่วนสวรรค์นี่นะ ا م อาลัยคุมติบตุม سلام เชิญเชานั้นเธวันเกียรมาหนีเจอใครทักทายหัโหลนี่นะให้ให้ให้ระวังนะ าใครฮะหลันี่มาผิดที่แล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งพระเจ้าของเราก็จะทักทายเราด้วยสลาจึงถูกเรียกว่าดารุสสลามแล้วจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมผู้ศรัทธาชอบให้สลาม แต่ไอ้คนประเภทีแต่มั น, นพอสลามก็สลามแล้วนี่ทำไมต้องสลามนี่แหะอันนี้ไม่รู้ผู้ศรัทธาสลามนะสลามแล้วนี่ชืสลามสลามอีกดีผู้ศรัทธาชอบสลามทำไมอะทําให้เขานึกถึงชาวสวรรค์นึกถึงส่วนสวรรค์และท่านนาบีได้บอกว่า لن تدخن الجنة حتى تؤمنه เพราะเจ้ะไม่เข้าสวรรค์จนกว่าจะสัต t و لن تؤمن حتى تحبوا ل َ ج م ِ ي, ى س َ ث َ و ن َ ق َ ت ر َ ك ن أ ف ل ا أ د ُ ل ك م ع ل ى ش ي ء إ ذ ا ف ع ل ت م و ه ت ح ب ت ح ب, ب أ أ ت م ْ ت ي ا أَخَسَبَ م َ ه ด الرَّأِيِّ ب َ ع ْ ض َ ث م د ك ن ل ج ر ك ن أ ف ش س س ا ل س ل ا م ب ي ن ك م ه َ ي س ل ا م س ن ْ ك ل ك َ ي ْ س ลามให้เยอะแล้วพวกเจ้าจะรักกันแต่อีปภี้ที่บอกให้ส ل ا م นี่หูสลามอีกแล้วน่าเบือ่อไอ้นี่ไม่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนมีความเข้าใจที่สหาบ้านนี่ะเดินด้วยกันเดินนี่เดินเดิน ใ, นใกล้กันแล้วเจอต้นไม้นี่ ก, ก็คือจะได้ไม่ชนต้นไม้เนี่ยก็ต้องแยกกันนิดนึงแล้วก็มาเจ้พอแยกแย ก, แยกแค่ต้นไม้เนี่มาเจะกส็สลามอะเลยคุณดูดุขนาดขนาดไหนอ่ะไอถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยนะนทะึงบ่าแค่แค่ต้นไม้นี่แยกกันมึงจะมาสลามอีกเหรอะทะลึงบ้าถึงหลังบัญญายนี่ผมสลามหลายรอบก็อย่าอย่าเบื่อผมแล้วกันอย่าเบื่อผม ก่อ น, อนนตอนตอนที่ผมสอนอยู่ที่ที่ประเทศอินเียเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์คนหนึ่งจะชอบแกล้งคือสลามแล้วก็วุฒตัวนี่ไปแล้วแล้วก็มาโผล่อีกทีหนึงมาสลามอ่าสลามอีกทีหนึ่งอ่าเราก็ยิ้มเราก็รู้นะรู้เขาาอยากจะสลามบ่อยไงสลามบ่อยสลามเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องสําคัญมากสลาม เนโอกาสในการทำลายความชั่วของเราโดยที่ไม่ต้องกล่าวขออภัยโทษจากล l l a นบีบอกผู้ศรัทธาสคนีนสลามกันนะ่ะนบีบอกว่าความชั่วของเขาทั้งสองนี่มันจะร่วงเสมือนใบไม้ที่มันร่วงจากต้นไม้ไ อ, สอ้สคนนี่ a ัส a l a m u a l a i k m เขอไม่ได้กาาวสติฟิรุอเรขไม่ดี ก, า, ก, ขดกาขออภัยโทษต่อลระะานลยแต่แค่สลามกันมีความผิดมีบาปเราขออภัยโทษแต่เรารู้สึกยังอึดอัดอยู่ทำอะไรไปสลามอะสลามพี่น้องแล้วก็เลือกสลามคนดีคนที่มีตะก่ามีผลนะครับสลามให้สลามมองหน้าจับมือ แลให้สลามละกล่าวสลามชัดถ้อยชัดคาแค่สลาโมอะลัยกุมสเลามะอะลัยกุมนบีบอกว่สบคนหนึ่งมา say สเลาม ا อะลัยกุมมูรฮัมมตุลลอฮฺนบีบอกว่าี่คนนึงมากล่าวสเลามะอะลัยกุมมูรฮัมมตุลลอฮฺอิบรากัตุนบีบอกว่สคนลบุญสลาแค่สลามอะลัยกุมได้สบแลสบนี้ตามหลักการ คำนวณความดีที่นายเบลว่า <journey> สิบนี้อาจจะหลายเท่าเพราะหนึ่งคะแนนเท่ากับสิบคะแนนนี่ถ้าสิบนี้อาจจะมากกว่านั้นก็ได้สามสิบนี่อัสสลามุอะลัยกุมวะรัดุลลอฮิอูมาระกาดุสามสิบอาจจะมากกว่านั้นก็ได้สาบาบบางท่านเนี่ยเพิ่มแสดงว่าเพิ่มได้สาบาบบงท่านีนเชตนบานีบอกว่าเป็นฮาริสซั่วฮิ่พรอนีไดบอกว่า ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตถ้าพูดถึงวิถีชีวิตถ้าพูดถึงวิถีชีวิตถูดถงถวตถ้าพูดทึงวิถีชีวิ้ายูดถึงวิทีกีวิ้าพูดถึงวิถีชีัต้าพูดถึงตถ้าดถึงวิยีชีอต้าพูดถึงีชีต้างวิถีชีวิตถ้าพูดถงวิีต้านเรงวีชีวิตถ้าพูดถึงวิถีช้าพูดมึงวิถีชีวตถ้าพูี ที่ได้ยินมาเนคือลายปลาย ا รกุมมอย่างน้อยนี่น่ากท่า่ากันอัสลามอัลัยกุมอลัยกุมุสสลามแต่ถ้าดีกว่าลถ้าใครทักทัมาอัสลามอลัยกุมอลัยกุมุสสลามราะห์มะุลลอฮิดีกว่าามีใครทักมาอัสลามอลัยกุมลราะห์มะุลลอฮ์เราก็ตอบดีกว่านะอลัยกุมุสสลามราะห์มะุลลอฮิบระกามีใครทัก เต็มละ a s s a l a m เต็ม ح ا ب บังท่านนี่นะเฮ้ยาเตมนี่้อพะอลยุลวระุลอะระุะะรพะะรุอแลวะรแลวะระอลุะยุะระุลอะระุะะรุ لوزي مين ص ح ب ا ت ي طب ما كنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته وطيب صلواته وطيب صلواته طيب مغفرته خد المغفرته بواء أ ب ي ت ه خ ا ي أ ب ي ت ه الله بسوب لثان وطيب صلواته كان صلواته دي م الله برد برسوب لثان เพราะ الله صلوات الله ا ل ل ه ا ل ا ل ل ه ي ك การ و ن الله ي ك ص ل و ن ا ته على النبي ا ل ل ه ل ن ا ب ي و ا ل ي ت ي س من ل ل كه ا ل ت ه ل ه ه ا ت ขอความเมตตาอันดีงามได้ประสบ์แด่ท่านด้วยเถิดถ้าพูดถึงเรื่องสลามนี่เรื่ให้สลามกันนี่แล้วเรื่องทักทาย น, นี่มันเป็นกิจวตัตรไงเจอใครก็สลามใช่ไหมเจอใครก็สลามเข้าใจว่าทางนั้นไมิสลามว่าทางนี้สลายนี่ไม่ยอม พยายามสนับสนุนเนี่ยให้ทักทายเต็มที่ไม่ย่อแต่วัฒนธรรมที่พยายามที่จะให้ความสำาัญระหว่างมนุษย์เนี่ยมันยินเย็นนะแบบไ ม, ไม่ไม่มีความไม่มีความแน่นแฟ้นนะนะย่อให้ให้มันสรุปใช่ไหมว่าอ๋อนีทักแล้วใช่ปะให้ทักแล้วนี่แหละเออจบแล้วแค่นี้ ไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วอะไรที่มันจะแสดงถึงความดีใจที่ได้เจอล่ะฉะนั้นในี่ว่า ธ, ธรรมบางวัฒนธรรมของประเทศมุสลิมนะแต่บางทีก็เกินนะนะแต่ก็เขาเขา เ, ข า, เขาถือไงชาวสุานะที่ประเทศสุนทักทายกันเกือบ5้านาที เออสลายมาเลยคุณบารมีสุดลาเป็นยังไงสบายดีสบายดีเป็นยังไงเป็นยังไงสบายดีสบายดีเป็นยังไงคือ <c ười> ทักทายกันหลายนาทีเองแล้วก็คุยกันแล้วอ่นนัก็มาทักใกเป็นปยังไงสบายดีนะนคือเขาถือว่าการทักทายเนี่ยมันสร้างความอบอุ่นสร้างความรักมันต้สอดคล้องกับะาีิสุงข์นบีอยากทราบไหมอะไรที่ทำให้พวกเจ้ารักใครกันมากขึ้นสลามกันให้มากขึ้น รักใครกันมากขึ้นก็จะศรัทธาศรัทธานี่ก็จะเข้าสวรรค์และสวรรค์นี่ก็คือสถานที่แห่งการทักทายด้วยอัสสลามูอะลัยกุมติ่งทกเรียกว่าดารุสลามดารุสสลามม่ไหนเรียกว่าดารุสลามนี่ก็ต้องทักทายเยอะหน่อยนะบางที่นี่ก็เรียกว่าดารุสลามดารสลามนี่พเข้าแล้วนมีตนาบึ่งเดียว พึ่งหมายถึงว่ามัสยิดบางทีเนี่ยเลือกชื่อเลือกชื่อให้ระวังหน่อยให้ระวังหน่อยเพราะอะไรเพราะชื่อนะ่ะชื่อนะ่ะมันมันเป็นสัญลักษณ์ไงเอ่อถ้าเราตั้งชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องความรู้ไอ้อแสดงว่าที่นี่มันก็ต้องมีความรู้ดิอ่อ ดารุลอาลีฟีนอาริฟีนเอคนนี้มีความรู้แต่มื่อสินไม่มีบรรยายไม่มีอัละกะไม่มีนักสิัตไม่มีอัลละกออาลีฟีนเองอาฟีนเพูดอาลีฟเาพูดมีความรู้แต่สวรรค์เนี่ยสมสมหวังและก็สมชื่อดารุสซาลาียนดี้ไม่เยาเวลสุรัตุมุสติคีนี้เราอธิบาีไปแล้ว อายะห์ยี่สิบหกเนี่ยจะพูดถึง ส, ว น, นสวนสวรรค์เนี่ยสวนสวรรค์นี้ก็คือผลตอบแทนของคนที่ทำความดีอิลลดีนะอัลฮซันุอัลฮุสนาสมรบันดาผู้กระทำความดีจะได้รับความดีอันนี้อธิบายไว้แล้วนะอัลฮุสนาแปลว่าสวรรค์อวซีาดะและได้เพิ่มขึ้นอีก z ซ y a d ันนิทศนะสลับส่วนมากนี่เซียดันตรงนี้นี่ก็คือที่อัลลอเพิ่มนี่ก็คือเห็นพระพักของอ a ลลอฮ์สุภาโนตาล a อีกทศ น, นันหงได้บอกว่าเพิ่มนี่คืออะไรคือคนที่ทำความดีในโลกนี้หมายถึงว่าทำความดีตามหลักการศาสนาตามความสังสอนนะนะวันเกียมานี่ก็จะเข้าสู่สวรรค์อ้าแล้วก็สิ่งดีๆที่ได้ในโลกนี้ บางทีกอาจะเป็นรุกีเที่ดีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีที่ราบรื่นอันเนี้ยซียดเป็นของแถมอันนี้ทัศอีกทานาหนึ่งนะว่าเซียด่ะแปลว่าที่ได้มาในในโลกนี้นี่นะเป็นของดีเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเพิ่มแถมที่อเราให้มาแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เรายังไม่ได้อธิบายนะหงอายนี้ ว่าไร้รหักุจุห قطر ولاذلة ความมองคำหรือความําต้อยมองคำกัตตรความมองคํานี่ยนี้กัตตรนี่ถ้าเป็นภาษาอับในส่วนมากนี่ก็จะใช้กับเรื่องความอภิวความําต้อยกัตรุนลกวิลละนี่มันก็ ใกล้เคียงกันมันไม่เกี่ยวกับสีผิวโดยตรงเพราะสั ญ, ญลักษณ์ของความต่ำต้อยเนี่ยในภาษาอรับเนี่ยก็จะเรียกสำหรับคนที่มีความต่ำต้อยนี่ว่าหน้านี่คำไม่ได้หมายรวมว่าไอ้คนหน้าคำนี่ไม่มีศักดิ์ีไม่ใช่ สำหรับชาวสวรรค์นี่หน้าตานี่สว่างสวยัยและก็ไม่มีความต่ำต้อยอุไกับาบุลันนะคือความความมองคํำและกความต่ำต้อยนี่จะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขาชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ในโลกเนี้ในโลกของเราเนี่ย <c oughs> เวลาเห็นคนป่วยหรือเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเฮย้ยทําไมทําไมได้อย่างเนี้ยทําไมเราเรามองถึงหน้าแล้วก็วิพากวิจารณ์ใบหน้าสีหน้าของเขาอะ่ะทําไมคนที่เหนื่อยล้าคนที่เอ้ยทําไมผมอย่างเงี้ย ทำไมเราไม่พูดแบบเนี้คนที่สมมุติว่าคนนี่ไม่ได้นอนมาเป็นหลายคืนอย่างเงี้ยทําไมเราไม่บอกว่าเอ้ยทําไมแขนเป็นแบบเนี้แขนเกี่ยวอะไรใบหน้านี่มันฟองใบหน้านฟ่องฟ่องหลายอย่างอืมพวกหมอนี่ก็จะก็จะดูที่หน้าใช่ไหมดูที่หน้าดูที่ตา มีหลายอย่างที่ใบหน้านี่มันจะฟ้องคนเกีียวก็เช่นเดียวกันสั ญ, ญลักษณ์ของ ค, ด ค, คนดีกับคนเลวนี่ก็อยู่ที่ใบหน้าเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮฺฮานาตาลาจิงให้คุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์ที่จะเข้าวสวรรค์นี่นะ ได้ปรากฏในใบหน้าของเขาละระกูยูฮัมก็จะรู้ว่ละดิลในส ورة อัลกิยามะอูจูฮุยยูมัยดินน اظرةإلىربها ناظرة ใบหน้าที่จะมองเห็นพระพักของอัลลอฮฺสุบัยนั่นว่าแต่หน่ดิสดใสสดชื่นแลอีกอายะอีกส ورة หนึ่งส ورة อัลบะซาลจามีฟิด ด่าหิกต์มุตบชรห์ดาหิกต์มุตบชรห์เป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมุตบชรห์แล้วก็มีความปลื้มมีความปลื้มใบหน้านี่มีความปลื้มยิ้มแย้มสดใสแล้วก็ปลื้มแน่นอนสวรรค์คนจะเข้าสวรรค์นี่เห็นเลยเห็นใบหน้าเนี่ปลื้มสิแล้วกแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ มันไม่เกี่ยวกับสีผิวไม่เกี่ยวกับสีผิวเรื่องนี้เนี่ยผมเคยสับสนมานานละบอกว่าไ อ, อ้ที่เราเห็นบางทีเนี่ยเห็นคนคนหนึ่งสูงหนวเป็นคนซอแล้วเป็นคนมีตะกวัเนี่ยโอ้นี่ใบหน้าเขามีนูรใบหน้ามีรมัศมีใช่ไหม รามีนี่ต้องเข้าใจนะยไม่ใช่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของสุดูยุดที่บางคนนี่ยอาจจะมีนะสัญลักษณ์สุดูยุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะที่เราได้บอกว่าเนคุณอ่านเช่นเดียวกันได้สังเสริญซาฮาบานีแต่ว่าสีมาหุมฟีวูจูฮิมมินอเอริสสุดูดสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ศรัทธานี่อยู่ที่ใบหน้าของเขาจากผลผลมาจากการสุดูยุด คนเยอะนี่เขาเข้าใจอ๋อหมายถึงว่าเสน่ห์รักอยู่ที่ใบหน้าของเขานี่ก็หมายถึงว่าที่เขาสุญยุดเยอะนี่มันก็เลยมีเสน่ห์รักไม่ใช่คือมันจะอยู่ที่ใบหน้าทั้งหมดเนี่ยใบหน้าทั้งหมดเนี่ยความสดใสที่ใบหน้าทั้งหมดเลยจะได้กลัวมีนูรน์ใบหน้าเขามีนูรผมตะก่อนนู่นนะเออใบหน้ามีนูร์จะเป็นคนหน้าหน้าตา เขาขาวหน่อยเนี่ยจะได้สว่างใช่ไหนูนแล้วถ้าเจอพี่น้องที่ผิวดำหน่อยเนี่ยคิดในใจนะเอมันจะมีนูนยังไงอสว่างยังไงอนะ่ะจนเห็นกับตาเลยพอเห็นแล้วนี่แล้วก็ไปอ่านเนี่ยว่าก็ใช่เลยเป็นที่มา ก, ก มักกะนี้จะมีพี่น้องชาวแอฟริกาจากเอธิโอเปียโซมาเลียสุดานหลายประเทศเนี่ยคือเขาจะอพยพจากที่นู่นมามานานแล้วเป็น10บสปีแล้วไปเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าไปจิวารจิวารนี่ก็ไปไปอยู่กาบะไปอยู่มักกะไปอยู่มัสซิดฮารอมอย่างเดียวเรียนรู้ศาสนาเอติกาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มีจอรีตตั้งแต่ดึกดําบันนี่คือคนที่บอว่าไม่อยาก ใช้ชีวิตในโลกนี้อยากไปอยู่เลือกจะไปอยู่มสัสยิดฮารอมหรือมสัสยิดนบีทํามหากินนะก็ทํามากินแต่คนทํามากินออกไปทํามหากินไปรับจ้างอะไรเนี่ยสักสองชั่วโมงที่เหลือนี่นะไปมสัสยิดฮารอมแล้วละหมาดพวกนี้เนะะี่ยถ้าใครไปมักกะเนี่ยไปมสัสยิดฮารอมเนี่จะเจอพวกนี้เนะะี่ยเขาจะหามุมแอบแอบเนี่ยละหมาดกันทั้งคืนอ่านกูดอ่านกันตลอดเวลานั่นนะครับ บางทีก็จะเห็นคนผิวขาวจ๊วงเลยแต่หน้าตาไม่มีนูร์แต่บางคนนี่ผิวดำปื๊ดเลยแต่หน้าตานีวีนูร์มีรสมีจริงจนอ่านชีวประวัติของอัตออิบนุลบีร์บาดะลุกซิดของอับดุลลอห์นิยาบัษลุกซิดเอกเลยของอับดุลลาห์นิยาบัษและเป็นผู้รู้ของมักกะ อับดุลอาต้อยเนี่ยบีร์รบานี่ยเเป็นชาวแอฟริกาบางคนบอกว่าเป็นชาวเอธิโอเปียนี่ยเขาบอกว่าอาต้อยเนบีรบานี่ผิวดํากว่าอีกาเคยเห็นที่กาไหมดกว่าอีกาคนนี้ก็บอกว่าอาต้อยเนี่ยบีรบาเนี่เดินไปที่ไหนเนี่มีแต่คนมีแต่คนตะลึงมองหน้าเขาเนี่ยพรหน้าเนี่ยเขามีรูแต่ดำ แสดงว่มันไม่อยู่กับไม่ขึ้นอยู่กับสีผิวงฮาเซลบาซรีเนจสอนลูกศิษย์บอกว่าอิน ham لجت بهم البرازين ถึงแม้ว่าพวกคนรวยนี้นั่งมาอย่างรูระเอี้ยงกันนู่นนั่งมากันไม่ได้นั่งรถบน์นะถึงแม้ว่าเขาจะนั่งมาจะใส่แต่งตัวอย่างรูหาเนี่ยนะอัลลอฮอิลา ل ه คือความมืดมนของของบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใบหน้าอัลลอฮฺตัดสินแล้วสำหรับคนที่ฝ่าฝืนพระองค์ท้าทายพระองค์เนี่ยโอจะต้องเห็นความอับปยุศขึ้นอยู่กับใบหน้าของเขาใครที่จะรู้ล่ะใครที่จะเห็นล่ะ ว, วันเกียรมานีนะหัวใจพวกเราทุกคนเนะี่ยคนดีไม่ดีเนะี่ยหัวใจนี่ แต่สรูแ้แหละทุกคนเนี่ยรู้ก็ทุกคนเนี่ยรู้ความจริงแล้วไนงะเราจรึงจะเห็นนะทุกอย่างเนี่ยเห็นตามสภาพดีก็จะเห็นนั่นดีเลยก็จะเลวความดีจะมีสว่างของมันเนี่ยความเลวก็จะมีความมืดของมันเนี่ยเพราะทุกคนแต่สรู้แต่ในโลกนี้เนี่ยต่างหากที่มันมีปัญหาหัวใจของเราสมองของเราเนี่ยังจาแนกไม่เป็นยังจําแนกไม่ได้ คนไม่ได้ทาครีมรองไม่ทาเครื่องสำอางหน้าตาผิวผิวหนังดูมันดันด้า น, น, นหน่อยน่ะทำไมทไมหน้าคึมอย่างเงี้ยใส่ใส่โลชั่นบ้างดีใส่ครีมบ้างดีนู่นบ้างดีมันมันมันมันไม่เกี่ยงไงแต่เราได้เห็น กระแสนิยมในสังคมเนี่ยให้เราได้ซึมซับแล้วก็เข้าใจว่าความสว่างของใบหน้าเนี่ยอ๋อต้องต้องใช้ทีมตัวนี้รู้ไหมว่าเนี่ยดาราคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาไปที่ไหนมาที่ไหนนี่มีแต่คนเขาเชื่นโอ้โหนี่ผิวเขานี่สว่างสวยัยนี่พะอเลนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ผมหาไมา่แล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ถ้าเราบอกว่ารู้ไหมว่าชาวสลัมนี่ทำไมเขา เขาใบหน้าเขาสว่างรู้ไหมชาวสวรรค์นี่ทําไมเขาเนียวมั่วบอกว่าสว่างสวายนี่ยรู้ไหมนี่นี่นี่นี่เรื่องละมาตรเตียงมุดเลลเรื่องละบาตรเตียงมุดอะไรนะคือจะคิดยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเรื่องนี้มีบางคนมาถามมรรคสันบสุริบอกว่าทำไมคนที่ละบาตรเตียงมุดเลลเนี่ยหน้าตาเขานี่ หน้าตาเขามีนูร์ทำไมคนนี้ละหมาดเจ็มมัหน้าตาเขามีนูรคนนี้ถามมาฮาซุลมัสลีก็คือคนนี้อยู่เรียกว่าอยู่ในวงการลูกศิษย์ลูกหามาฮาซุลมัสลีก็คือคนดูเรื่องไงคนที่เข้าใจไงแต่เขาแปลกใจว่าทําไมคนนี้ละหมาดเกี่ยวมือเลไม่เหมือนคนนี้ไม่ละหมาดเกียวมือทําไมอ่ะคนนี้ละหมาดเกยวมือเลนหน้าตาจะสว่างกว่ามีนูรมากกว่ามาฮาซุลบัสลีบอกว่า อุลัก the ์ข so ้ามูนขัลลูบรบบิห์มัสบะอะลัยหิมมินนูริฮีว่มีเนยเป็นกลุ่มชนเป็นกลุ่มชนที่เขาขึ้นละหมาดกลางคืนน่ะนะแล้วก็อยู่กับอัลล์เพราะเขาละหมาดกลางคืนนี่มีมีใครกลางคืนอยู่คนก็นอนกันแต่เขานี่อยู่กับอัลลอ์สบะอะลัยหมมินนูรอัลล์นี่ติ โปรดประทานรัศมีของพระองค์ให้พวกเขาบ้างนูร์ในรัศมีของคนที่ทําความดีทําไมบาดาเนน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากนูรของอัลลอฮฺซุบฮานาหฺวะดาร์นี่คือสิ่งที่อัลมอฮฺได้เอ่ยไปในยานในสุรษะอันนูรอัลลอฮฺนูรุสุาษะวะดาร์รัศมีในโลกนี้ทั้งหมดนี่นะนูรทั้งหมดนี่นะ ก็มาจากนู่นของ Allah รัศมีของล l l a h นู่แต่ละนูร่รัศมีแต่ละรัศมีแสงสว่างแต่ละแสงสว่างไม่เหมือนกันรัศมีของดวงอาทิตย์ไม่เหมือนของดวงจันทร์นู่นู่แสงสว่างของไฟนี่นึ่งอะไฟเนี้ยไม่เหมือนรัศมีที่มาจากใบหน้าของผู้ศรัทธาแตกต่างกันยังไงจะแนกกันยังไงอันนี้ก็ต้องคนอยู่ในวงการ ในะใครในยุงการคนที่เป็นช่างไฟนี่จะบอกว่าอ๋ออันนี้นี่ไฟนั่นใช่ไหมอันนี้ไฟประเภทอันนี้ยี่ห้อนั่นนี่ น, นั้อ น, น, อ, น, นองค์การผู้ศรัทธาองค์การคนดีเออคนที่แบบว่าคุยรู้เรื่องอะ่ะผมไม่รู้จะที่งไปยังไงอุไนกะ สนเหล่านี้แหละคือ أصحاب ุลจันนห์เวลาอ่านอุเราะนะก็มีอายะแบบเนี้ยแล้ว่็ชาวสวรรค์เนี่ยเวลาเขาเขาอ่านอายะที่อัลลอฮ์พูดถึงชาวสวรรค์และชาวนรกเนี่ยสิ่งที่ก็ต้องนึกทันทีเลยเราเราอยู่ในกลุ่มไหน พอลบวกว่าชนเหล่านี้แหละอุล์อีกอะอะาสาบุญจนนชนเหล่านี้แหละคือคือคนที่ได้รับผลตอบแทนเข้าสวรรค์แล้วก็ได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาจาแล้วและใบหน้าของเขาจะไม่มีความอับอายลดไม่มีไม่มีความมืดมนไม่มีสิ่งที่น่าอับอายชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์เราปะเราอยู่ไหมเราอยู่ใน อยในกลุ่มเหล่านี้ไหมผู้ศรัทธาจะตั้งคําถามนี้กับตัวเองเสมอคือจะมีความหวาดกลัวมีความสงสัยว่าตัวเองจะอยู่ในหมู่ชนที่จะเข้าสวนสวรรค์หรือไม่ถ้ามีการพูดถึงอุไรกาสฮาบุนนอร์เจะมานะชนเหล่านี้คือชาวนรกโอ้ถ้าฉันเป็นชาวนรกล่ะความเกรงกลัว ของผู้ศรัทธาที่จะถูกบันทึกในบรรดาชาวนรกฟาติมาบินตัวอับดุลแมลิกฟาติมาบินอับดุลแมลิกนี่เป็รยาของอุมมารบินอับดุล عزيز อับดุลแมลิกนี่เป็นคัลิฟช่วงอาจักอุมมอวีย์อับดุลแมลิกนี่เป็นคัลิฟะที่ยิ่งใหญ่ของบรรูมัยยะและเาก็มีลูกชายหลายคน พออับดุลมัลิกเส ي ي ียชีวิตเนี่ยลูกชายคนโตอัลวอลิดได้เป็นขาลลวะพออัลวอลิดได้เสียชีวิตคนนี้ตามานคือสุลมานีบเนอับดุลมลิกสุลมานีมีน้องชายชื่อฮิชามแต่สุลมานีมีที่ปรึกษาเป็นผู้รู้ชื่ออัลรับีอัลบุซม สุลัยมานนี่ตามคําสั่งเสียของของอับดุลม а ลิกบิดาของเขาหนินะว่าคนที่จะเป็นขลิฟานี่ก็ต้องเป็นพีนพ่น้องพี่น้องกันแต่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จะให้ฮิชามอิบนอับดุลม али คนี่ยนะเป็นขลิฟะถัดไปแต่ก่อนที่จะตายนี่แกปรึกษาว่าคนที่จะให้ใครเป็นขลิฟะเขาบอกว่า ท่านทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตพอสุเลมานเนี่ยแทบไม่มีคือไม่ไม่เคยทำความดีเลยอะสุเรมานไม่ท่านทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นความดีที่จะถูกจารึกและเป็นความดีที่อาจจะท่านหวังจะเข้าสวรรค์ว่ า, วาทำผมต้องทำลูกหลานบันูมาญเนี่ย ส่วนมากนี so chutz, ่ก็เป็นคนลูกหลานแบบวกษัตริย์ไงคนร่ารวยไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าเคร่งศาสนานอกจากคนหนึ่งคืออูมรอับดุอบดลอับดุลอานี่คือน้องชายของอับดุลมัลิกแต่เนี่ยจะว่าอับดุลมัลิกนี่เป็นคัลิฟายนี่อับดุลอาบดิล عزيز นี่หมดละลูดละลูกอับดุลมัลิกเป็นคัลิฟะแต่ลูกอับดุลอาบนี่อมารมีนะก็ไม่มีสิทธิ์เป็นคลิฟะ แต่สุลมา น, นี่เหรืออูมาร์บิอ عبدالعزيز เนี่ยเป็นคนที่มีตักวะเขาเลยข้ามหัวพี่น้องเข้าแล้วไปแต่งตั้งอูมาร์บิน ع ด د ا ل ع ز ي ز ย, ยังไงเรียกทุกคนนะบรรดารัฐมนตรีบรรดาใครแต่ใครนี่มาเขานอนบนเตียงแล้วจะตายแล้วแต่อบอกว่าพวกคุณทุกคนดีนะต้องไปหาชื่อคาลิวาที่อยู่ในเอกสาร น, นี้ เบยีงงบยร์งไหมเบยียร์หอไมบียร์ผูกคนเข้าใจว่าเป็นฮิชามน้องชายเขาก็เบยีบยร์ไหมเรเนีย่ยเราไปียให้คนที่ชื่ออยู่นี่นะเป็นคัลิฟาและถ้าใครที่บิดพิวในเรื่องเบียร์นี่นะประหารประหารอัลรั บ, บิยุบเนฮูเซย์มได้รับคำสั่งจากซุลีมานีบนาอดูดลมลิก บอกว่าท่านจะเป็นคนที่อ่านในหนังสือในะชื่อคาลิฟัดถัดไปในหนังสือในะที่ทุกคนจะให้ไบอะแล้วก็ให้มีตอก่อนนู่ะเขาจะมีกาดส่วนตัวของคาลิฟ้าเนี่ยกาดคนนี้เนี่ยก็คือคนที่ถือดาบดาบประหาราประหารตัดคออย่างเดียวอะ่ะเขาบอกว่านี่กาดของฉันนี่จะยืนกับท่านเนี่ยใครที่ขัดขืนน่ะนะก็คือประหาร พอสุเลย์แม่นบยาดุลมลิกนี่เสียชีวิตทานที่เสียชีวิตเนี่ยเราไม่นุ่งใส่เมื่ก็เรียกทุกคนเนี่ยที่เขาเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่นะอ่านรวมถึงฮิชามที่เขานั่งเขาเขาฮิชามเขาเขารอจะได้ยินชื่อตัวเองนะข้าหลวงนี่ได้แต่งตั้งอุมรินบยาดุลอาซิสเป็นข้าหลอุมรนดุลอาซ ได้เป็นคยรีวิวสองปีนะแต่ได้ปฏิรูปอาณาจักรอุมะวยะถึงขั้นที่นักประวัติศาสตร์จะบอกว่าอาณาจักรอุมะวยะนี่ไม่มีความดีใดๆอาณาจักรอยนี่อยู่ประมาณเก้าสิบปีเขาอาณาจักรยนี่ยุบหนึ่งร้อยสามสิบสองกราศก แลก็เริ่มอาณเริ่มอ า, าณาจักรอุมะอวียะนี่ประมาณปีที่สี่สิบก็ประมาณเก้าสิบปีเขาอกว่าเก้าสิบปีเนี่ยอายุไขของอุมะอวียะเนี่ยมีแต่ของอุมะรูยาอยู่สองปีเท่านั้นที่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับอาณาจักรอุมะอวียะฟาลที่มาเป็นแตออบดิลมาลิกก็คือน้องสาวของ อัลวุลีลกับซุลมานเนี่ยและกัฮิชามเนี่ยได้แต่งงานกับอัลโมรานาที่เป็นภรรยาฟาติมานีบอกว่าอาจจะมีคนในประชาชาติอิสลามประชาสงทนบีมุฮัมมัดเนี่ยที่อกรงอัลลอฮ์นี่มากกว่าอับอับดุลอาซสามีของเธอเนี่ยแต่ข้าพระเจ้าไม่คิดน่าจะมีใครที่กลัวอัลล แลกวกัวนรกมาก็าอมรับนะอับดุลลาซิสกว่านอนอยกับอมรับนะอับดุลลาซสเนี่ยทั้งคืนเลยทุกพักเนี่ยต้องตื่นสะดุง้งตื่นกลางคืนเนี่ยสะดุง้งแล้วก็กล่าวถึงนรกตื่นสะดุง้งภรรยาก็จะถามว่าเป็นอะไรมอกว่าเปล่า ดคะร์ตุมศิร์น้ําสิอิมมาอีลาจันทร์ว่าอิมมาอีลานาร์อหข้าพเจ้าได้นึกถึงการกลับของผู้คนในวันเกียรมานี่กลัวส่วนหนึ่งก็จะกลับเข้าสวรรค์ส่วนหนึ่งก็จะกลับไปนรกไปอยู่ในนรกและข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มไหน ไม่รู้นี่นี่คือสถานะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเช่เช่นที่เราไม่ฟันธงให้ใครว่าเขาเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ช่นเดียวกันเราก็จะต้องไม่ฟันธงให้ตัวเองไม่ใช่ว่าได e ้ยินอุไนกบอัลฮับุลจันนที่นี่ละคือฉนเหล่านี่ละคือชาวสวรรค์กูรู้อ๋อ อ๋อข้าพเจ้าเองอะนะอ๋อชนเหล่านี้เนี่ยอ๋อาพเจ้าเองอะชาวสวรรค์นะนะคือผมกําลังบอกว่ามีบางคนเนี่ยอุ่นใจเหลือเกินนะว่าตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้าสวรรค์แน่ซึ่งต่างกับสลรทท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องเขาบอกว่าไปทําฮั์และอุมรอเนี่ยแล้วเจอชาวชนบทคนหนึ่ง วันอรารรฟานี่มีแต่คนร้องไห้อ ย, ย่างเดียวคนร้องไห้โอ้ Allah ขอให้ฉันได้พน้นจากนรกขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์แล้วทุกคนนี่เขาด้วยความเดีวยวความที่เขาซาบซึ้งเไงเขาร้องไห้แต่มีคนนี่คนเดียวเนี่ยขอดุอาแล้วก็ยิ้มแย้มแจม่มใสเหลือเกินเขาก็เลยแอบถามว่าทำไมทําไมยิ้มทําไมทําไมรู้สึกปลื้มอ่ะก็บอกว่า ผมนี่มั่นใจในความเมตตาของเราแล้วที่นั่นเรื่องเพราะว่าท่านนึกว่าตัวเองเอาว่าจะเมตตาท่านและจะเข้าสวรรค์บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้าจะเข้าสวรรค์และจะเสวยสุขในสวนสวรรค์และจะได้มีความสุขเต็มที่ในสวรรค์ข้าพเจ้าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าจะเป็นเช่นนั้น ออันนี้มันมันต่างกันไหมต่างกันสิคือเราสามารถพูดแบบนี้ได้สามารถพูดแบบนี้ได้ในกรณีที่เรามีความอุ่นใจในการกระทาชาวชาวนบนคนนี้นี่เขาก็อธิบายไงว่าที่เขามีความมั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮ์นี่เพราะสิ่งที่มันเป็นพื้นที่แห่งความเมตตาของอัลลอฮ์นี่เขาไปอยู่ที่นั่นตลอด สิ่งที่มันเป็นพื้นที่แห่งการสาบแช่งการสาบแช่งลานัดนี่ก็คือขับไล่จากความเมตต์ดังอลลอฮ์นี่เขาจะไม่อยู่ที่นั่นตลอดการที่เราได้นำเสนอตัวเองอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ดาล่ะในพื้นที่ที่อัลล์พอพระทยเราสม่ำเสมอเนี่ยทำให้เราได้สบายใจระดับหนึ่งทั้งนี้คือคนที่สอนในชาวชาวนบทดินสอนเนี่ยคือ ในเชิงการให้กำลังใจแต่กับตัวเขาเอง่ะนะคนละคนดิเวลาเขาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาเขาจะไม่พูดกับตัวเองว่าเออตัวเองไม่ต้องอะไรมั้งชาวสวรรค์ชั่วๆล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสงสัยไม่หรอกถ้าเขาอยู่กับตัวเขาเองอะนะเขาคงไม่ได้ปลอบใจแบบนี้เขาคงมีมีอีกอีกบริบทเนี่ยแต่บริบทนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องพูดกับคนนี้ ใช่จะสิ้นหวังแล้วและความสิ้นหวังนี่อาจจะทาให้เขาเนี่ยประพฤติในสิ่งที่มันไม่เหมาะมีแม้มีก็มีคนนี่บอในเมื่อมันนรกหมายว่ากูเป็นชาวนรกอยู่แล้วเจอวะคนนี้บอกว่ามึงเงอะมีมึงเงอะหน้าตายเงี้ยหน้าตายเงี้ยเหมาะกับจะหันหนามันเจอบางคนนี่เนี่ยมาแล้วชาวนรกมาแล้วในเมื่อกูเป็นชาวนรกนี่นะกูแตละหมาทำไม บางคนเนี่ยถูกถูกหมายหัวว่าเป็นคนชั่วจากชาวบ้านอะนะจนเขาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนดีไม่ได้ในะความสิ้นหวังแบบนี้เนี่ยมันก็คือผลงานของคนคนง่เหมือนกันนะนะคนโงูที่ที่อ้างสถานันตัวเองเป็นยามสวรรค์นเป็นยามนารกกันนะอคนนี้เข้าคนนี้ไม่เข้าก็ น, นี่แหละคนที่ชอบหมายหัวคนนี้ ชาวนรกคนนี้เอ๊ะไม่ได้คนนี้เข้าคนนี้ใบแดงคนนี้ใบเหลืองไอ้คนนี้มีเวลาเยอะเหลือเกินนะนี่กาแฟคนนี้โอ้โหห้าสิบห้าสิบคนนี้ไม่แน่ใจมีเวลาที่จะนั่งตัดสินคนอื่นนะนะผลลัพธ์ของมันนี่ก็คือ คนที่เขาอยากจะไปหาอำนาจนี่คนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไงนะแต่ถูกตัดสินจากคนอื่นแล้วแล้วเขาครุบไงคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนทีน่มีความรู้ในเมื่อทั้งถูกตัดสินแล้วแบบนี้แล้มีประโยชน์อะไรอนะ่ะที่จะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะปรับปรุงตัวเองจะอะไรนะี่ถึงจะบอกกับพี่น้องว่าระวังที่จะตําหนิคนอื่นหรือจะให้เขารู้สึกแม้แต่น้อยนะแม้แต่น้อยนะว่าเราเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะตอบแทนเขาเราต้องเราต้องพูดตามตรงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่มีมนุษย์จะเป็นหัวไหนก็ตามมานะที่สามารถทาให้ใครเข้าสวรรค์หรือเข้านรกนี่นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นคนนี้เป็นผู้ศรัทธาแต่ทำความชั่วเยอะขนาดไหนนี่นะเราก็ต้องบอกเขา่ะอันนี้อันนี้คนนี้มีความรู้จริงนะ คพน บ, บีสอนเรานี่เป็นประสบการณ์ของคนในอดีตในประชาชาติยุคกอ่อนฆ่าไปแล้วเก้าสิบเก้าคนแล้วก็ยังจะติมบาดตัวอันนแสดงว่าเขายังมีความหวังไงเอาคนสอนแหกคนดีที่สุดเขาไม่ได้ถามว่าคนที่มีความรู้มากที่สุดเอาคนที่มีอบิบาดทำอิบ ة, าดะขยันทํำอิบาดะมากที่สุดคุณขยันทํำอิบาดะพอไปถามว่า ผมฆ่าไปแล้วนี่ฆ่าสิบเก้าคนอันนี้สิ บ, บรรทุกของเรืมุสลิมฆ่าไปแล้วเก้าสิบเก้าคนเนี่ยตระบาดตัวนียโอ้โห่เกสิบเก้าคนตบัดได้ไงอะบาปทาบาปขนาดนี้เนี่ไอ้หน้าของขึ้นเลยเก้าสิบเก้านี่เลขไม่สวยอะครบร้อยแต่ก็ยังอยากจะตระบาดตัวคือท่านะบีไม่เล่าเนะี่ยเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะ คือเยาว่าฆ่าคนเดียวนะฆ่าแมวนี่เราก็แย่แล้วขับรถนี่ไปชนหมาชนแมวนี่เราก็โหนี่ชีวิตเราไปพูดออกออกทีวีนะ่ะผมไปฆ่าแมวมาแต่นี่ฆ่าไม่ใช่คนเดียวนะเก้าสิบเก้าคนและคนหนึ่งร้อยนี่นะเป็นเป็นคนซอเล่ด้วย ไม่เอาแล้คราวนี้คนโซนแรกเนี่ยเอาคนที่มีความรู้ดีกว่านี่นะวันนี้ความรู้ที่เขาตอบยังไงว่ามันย่ำฮูลูเบย์นกอบเบย์นตัวข้าไปแล้วนี่หนึ่งร้อยคนนี่ข้าไเจ้าจะเติมบัดตัวได้ไหมว่ามันย่ำฮูลูเบย์นกอบเบย์ใครเล่าที่จะห้ามเจ้าได้ในการที่จะเติมบัดตั ว, ตวที่จะกลับเนื้อกลับตัวใครจะห้ามได้นี่คนที่มีความรู้ แสดงว่าคนที่มีความรู้เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจว่าการให้อภัยโทษนี่เราไม่มีสิทธิ์แม้แต่น้อยที่จะตัดสินใครก็ตามมีหนามซ้ำเรามีหน้าที่ที่จะเชิญชวนให้คนชั่วแบบเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นหน้าที่ของเราด้วยซ้ําสําหรับคนที่มีความรู้ฟังอายะที่อัลลอฮ์จะพูดถึงชาวสวรรค์ นึกถึงคนที่จะเข้าสวรรค์แน่นอนบรรดา نبي อุสสุสัฮาบะที่นบีตัดสินชัดเจนว่าเป็นชาวสวรรค์ใจผู้ศรัทธานี่พอออมรบากว่าอัลฮาบชาวสวรรค์เนี่ใครอะนบีและสัฮาบะพ่อจะเล่นสัฮาบะท่านใดที่ ตอนเขามีชีวิตอยู่นี่นะนบีเสียชีวิตแล้วอบดุลเบกโรมอรุเสียชีวิตแล้วและซาฮับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าสวะอาดเพราะนบีไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นชาวนอกจากว่าซาฮับบางคนในนบีชี้แต่ซาฮับที่นบีไม่ได้ชี้เนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงตัวเองแต่พอใกล้เสียชีวิตแล้วนี่นะเนี่ยอุลลมาได้บอกว่าคนเราในใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยให้ปลอบใจให้มีความหวังสูง صحاب ส่วนมากเนี่ยวาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยข้อเ็จะพูดคํานี้ก่ดันอัลกัลอาฮิบบะโมฮัมมัดดันแะ صحاب าเราพรุงนี้เจออีกแล้วพวุงนี้เจอแล้วท่านนบีมุฮัมมัดและ صحاب าของท่านผู้ศรัทธาในปอบใจตัวเองนะครับชาวสวรรค์เราอยากจะเข้าสวรรค์นีเราอยากจะเห็นพระพักกินลดีหนักสุนฮุสนาว์ซียัดะอินพระพักกของ Allah น้ตจากลอ l a บรรดาอบดรอซูลสาวะคนหนึ่งถูกถามว่าสวรรค์นี่มีอะไรหมายถึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจสาวคนนี้ก็บอกว่าฟิฮะมุฮัมมัในสวรรค์นี้มีนบีมุฮัมมัดเพรเราได้อ่านอุไลกอัครสาวกยันนี่มาถ้าเราเป็นอัครสาวกยันนี่นี่หมายถึงว่าเราจะอยู่ในสวรรค์ที่มีท่านนบีมุฮัมมัด ผู้สัตว์นี่เวาเขานั่านางคุยกันนะคนนั่นก่อนเนี่ยผู้รู้เนี่วลาเขานั่งคุยกันนะแล้วพูดถึงคนประเสริฐด้อย่างสหาบะโชคดีโชคดีที่เขาได้อยู่ในยุคของท่านนาบีเราขอได้ใช้ชีวิตสักวินาทีเดียวอยู่กับท่านนบีสักวินาทีเดียว ถ้าเรามีทรัพย์สินอะไรถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยขอถวายขอให้สูญเสียทั้งหมดเนี่ยมาทดแทนการใช้ชีวิตสักวินาทีหนึ่งอยู่กับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลฮ์และนี่คือความเชื่อของอันซุนนวลจ aman ีเพราะ صحاب านี่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอยู่กับท่านนบีการี่สุนทรนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลฮ์มันได้บอกว่า แต่มีคนในรุ่นหลังเนี่ยคนมุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุดุนุุุุุุุุุุุุุุาุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่องุุาุุุุุุุุุุุุงุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้้นุุุุุุุุัุุุุุุุลัุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ เช่นเดียวกันก็จะต้องมีความเชื่อว่าอยากจะไปสวรรค์นี่นะอยากจะทอะไรอย่างน้อยนี่เห็นพระองอัลลอ์นี่มเสียงน้อยนี่เห็นว่าพระออัลลอ์นี่คือสุดยอดแล้วแล้วก็เห็นท่านนบมัลัลลอฮนบิบถามซฮาบะท่านหนึ่งบอกว่าอยากได้อะไรอยากอยู่กับท่านในสรกลอนนีอลานฟซอลานฟซิกะ เพ้าตามนบีถา่าก็เราเลิกไม่อยากได้อะไรอย่างอื่นแวนกนี้แหละลองคิดดูสิคนนี่เป้าหมายในชีวิตของเขานี่อยากจะเข้าสวรรค์อยู่ร่วมกับท่านนบีสุลต่ะนั้นดุอาที่ผมขอตลอดแลวก็ฝากใครพี่น้องขยันกันขออัลลอฮุมอินนีอัสลุคัลฟิรดัลอาลาเราฉันขอให้อยู่ในฟิร อันสูงส่งทาไมพอฟิรเดาุสสูงสูงนี่เห็นพระพักของอัลลอฮ์เช้าเย็นเฉพาะชาวฟิรเดาุสนะชาวสวรรค์เนี่ยอย่างที่บอกเห็นอัลลอ์นี่อาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ชาวฟิรเดาุสนี่นะเห็นอัลลอฮ์เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วขอเป็นเพื่อนบ้านท่านนบีในส่วนสวรรค์ ทำไมอ่ะก็เป็นเพื่อนบ้านนาบีนในส่วนสวรรค์นี้ก็ไมาถึงว่าออกจากสวรรค์ออกจากบ้านเราในสวรรค์เข้าบ้านนี่ก็เจอเจอท่านเจอท่านนาบีนสุลต่าะครับฝากไว้กับพี่น้องพี่นองท่านนี้นะครับอัลลอว่าเลล่ามุวัลมอฺมูฮัมมัดอามาฮัมมัดมฮัมมัดอัอฮอฮััมมมมัั ไม่มีตัวบทในคุรานหรือหะดีสของท่านนบีหรือคำพูดของอุลามะอิสลามในมัธยบไดๆคำว่าชุดอิสลามชุดอิสลามไม่มีแม้กระทั่งในวัทนธรรมตั้งแต่สมัยนบีเนี่ยเรียกว่าวัทนธรรมนบีและสัฮาบเนี่ไม่เคยใช้คำว่าชุดอิสลามเฮคนนี้แต่งชุดอิสลามคือเราใช้คำนี้ใช่ปะ แต่กี้ใช้คำนี้ใช่ปชุดอิสลามอ่ะมันก็ต้องมีไงที่ไปที่มาเนี่ยนบีเขาใช้มามคำว่าชุดอิสลามถ้านาบีไม่ใช่แสดงว่าเอา้าแล้วก็แต่งตัวแบบไหนจะได้ถือว่าแต่งแบบอิสลามไม่มีชุดใดที่ถือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของกิจแต่งตัวแบบนี้ก็เป็นมุสลิมไม่มีตามตัวบทนะผมไม่ได้พูดถึงวาตามความเข้าใจแต่ตามความเข้าใ จ, า ข, าใจของคนนี่ใช่แต่งตัวแบบนี้เป็นมุสลิมอ่ะใช่แล้วเป็นมุสลิมแต่นี่เป็นความเข้าใจ ใช่ไหมในบันตีของอิหม่ามบุคอรีท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้รับของขวัเป็นเป็นชุดภายนอกที่ใส่ชุดภายนอกกันนะชุดภายนอกเนี่ยนั้นมาจากกริย์ของอิบชื่อชุดนี้นะชื่อชุดนี้นะปุตติยะทำไมอ่ะเพราะชาวอิบชาวอิบเนี่ย อา랍นี่เขารกกันอัลกุบหรืออัลกิบตกิบตอ่านยากหน่อยนะเชาวอียิเนี่ยวลาเขาทาเสื้อผ้านี่เยบเสื้อผ้านี่อ๋อเสื้อผ้านี่ของ่ะติบตี่ยคือมาจากชาวอียิปติบตุก็คืออียิปต์อียิปต์เนี่ยอียิปต์เนี่ยน่ยกิบตชาวคริสหรือชาวอียิปต์พื้นบ้านน่นะเขาจะเรียกกิบตหรืออียิปต์นะเสื้อผ้าเขาเนี่ยชติบตี่ย ติยะแต่อาราบเนี่ยเขาบอกว่าแต่อันนียมันเป็นเสื้อเป็นเสื้อชั้นนอกนบีเคยเอามาใส่ซึ่งพวกเสื้อของพวกติปตียะเนี่ยแขนเนี่ยมันจะมันจะแคบหน่อยแคบหน่อยอันนบีตอนละหมานี่ก็จะรู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายตัวนะนะนบีก็จะเอาแขนออกแล้วก็แล้วก็สวมอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไม่ใส่แขน ในบันทึกของอิมามบุคฮาริวทัทน์นบีใส่ชุดนี้ในละหมาดซึ่งตอนนั้นนะนะคนที่ใส่ชุดกุตติยะนี่นะไม่ชาวอาหรับเลยหมายในว่าถ้าใส่ชุดนี้นะี่ะไม่ชาอาหรับเพราะเป็นชุดของชาวอียิปต์และชาวอียิปต์ทั้งหมดเลยทั้งปวงทั้งมวลทั้งเป็นคริสชาวอียิปต์นะตอนนั้นนะนะตอนนี้นะบียังอยู่ที่มาดีน่ายังไม่ได้อียิปยังไม่ถูกพิชิตนะ นบีส่งจดหมายไปให้มู่เก้ากษัตริย์ของอีบเขาก็ตอบดีแล้วก็ส่งฮัดียเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เป็นเป็นผ้านะแล้วก็เป็นพวกเนี้ยเป็นชุดเนี้ยนบีก็เอามาใส่ในละหมาดอสแสดงว่านบีไม่เห็นเป็นเรื่องผิดที่จะใส่ชุดชาวคริสอีบในละหมาดท่ารนั่งดี ถ้าดูภายนอกแล้ว น, นี่ไม่ใช่ชุดของอาหรับและนบีก็ไม่เคยใส่แต่นบีใส่แสดงว่ามันใส่ได้ชุดนี้นะถ้าไม่ได้เป็นชุดศาสนาไม่ได้เป็นเครื่องหมายของศาสนาใส่ได้และไม่ถือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไม่ถือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของของศาสนิกชนจนกว่าจะใส่ชุดของนักศาสนาของเขาถ้าใส่ชุดของบาทหลวง เครื่องไม้เครื่องมือของบาดหลวงเนี่ยอันนี้ถือว่าใช่ถ้าเราพูดภาษาปัจจุบันมีมีชุดแต่งกายสากลสากลนี่หมายถึงว่าคนทั่วไปเขาใสา่อาหรับเขาใสาก่กางเกงใส่เสื้อเชิดไหมใส่ฝรั่งเขาใส่โต๊ะไหมใส่หมายถึงว่าอะไรเสื้อที่มัน ค, ค, คล้ายๆโต๊ะใส่ไหมใส่ก็เป็นชุดสากล ถ้ามุสลิมใส่กันเกนใส่ชุดเสื้อเชื้อแจเรื่องใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เรากําชับว่าถ้าจะใส่แ่อะ้รก็ตามแต่มีเงื่อนไขสองสามเงื่อนไขหนึ่งหลักการศาสนาของชุดของมุสลิมหนึ่งต้องปิดเอาเรอหรือสิ่งที่มันเปิดเผย เ, เอาเรอาทาั้งอ้อมเช่นเป็นชุดที่รัดกุมคับแคบหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตามหลักการศาสนาไม่ได้ อุลามะบางทัศนะบางมัธยบนี่บอกว่าถ้าใส่ชุดที่มัำรัดก้มมีละมาดนี่ไม่ซ้อบาสบมาลีกีนี่ถ้าใส่กางเกงรัดรูปอย่างเงี้ยกางเกงรัดรูปเนี่ยละมาดไม่ซ้อบางทัศน์อุลามะในรุ่นหลังเนี่ยแค่ใส่กางเกงอย่างเดียวเนี่ยเพราะมันมันเห็นสัดส่วนของขาเนี่ยละมาดไม่ซออแต่ไมถึงขนาดนั้นนะครับขออย่าให้มันอย่าให้มันรัดรูปมากอสอง ไม่เป็นการเรียนแบบคนชั่วหรือสั ญ, ญลักษณ์ของกาเฟตสั ญ, ญลักษณ์นี่หมายถึงว่าเห็นแล้วนี่นะเขาสงสัยแล้วนี่ว่าเป็นกาเฟตหรือเปล่าเช่นใส่ชุดเสื้อเชื้ออะไรธรรมดานะแต่มีห้อยไม้กันเขนหน่อยเอ้ยนี่อะไรนี่อันนี้ประดับปะดาไม้กันเขนนี่น่าสงสัยว่า เ, าเป็นคริดซือเปล่า หรือห้อย่ังอื่นอะไรเงี้ยจะตุคามรัมมเทอีอะไรประมาณนี้เน่นไข่ที่สามคืออย่าแต่งชุดที่มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นหมายถึงว่ามันเป็นกระแสะมันเป็นกระแสะที่ทำให้คน ที่ทำให้คนเข้าใจว่าเราเนี่ยติดตามเขาแฟชั่นปีนี้กางเกงหลวมหน่อยกางเกงโลง่ลงๆหน่อยเราก็ไปหากางเกงหลวมๆ่อยต้นปีหน้าอันนี้นะ่ะเขาได้นะเราก็ไปหาแฟชั่นปีนี้เนี่ยแขนถึงซอกเราก็ไปหาเสื้อถึงซอก เฮ้แฟชั่นปีนี้เนี่ขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นหนะ่อยก็ขึ้นคือเขาจะลงเราก็ลงเขาขึ้นเขาก็ขึ้นนี่ถ้า เ, เป็นผู้ชายเดียร์พอดำนาวนะแต่ถ้า เ, เป็นผู้หญิงล่ะปีนี้เปิดหน่อยปีหน้าปิดมีอยู่ปีหนึ่งคุมหิ j าบเลยนะ mm hmm. เขาก็คุมหิ j าบเพราะเขาคุมหิ j าบเพราะเขาผิดเขามีมีให้ใส่หมวก mm hmm. แต่ถ้าเขาบอกว่าให้ถอดนู่นนี่เออถอดไอ้แบบเนี้ยผู้ศรัทธาไม่ควรทำไม่ควร mm hmm. ตามเขานะแล้วก็อันที่สี่เนี่ยอันนี้เสริมนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไอสามเนี่ย บ, บังคับแต่อันที่สี่เนี่ยควรควรที่จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมใส่ดิเก่งใส่เสื้อเชนะิตอ่ะมีหมวกนิดนึงจะดีไหมเอออย่างน้อยเนี่ยพอเจอกันแล้วเนี่ยรูว่าจะทำอะไรจะอย่างจะอย่างนี้หรือจะได้รู้หน่อยเพราะบางทีเนี่ยเจอ พี่อัสลามอนอ้าวบางคือมันสับสนน่ะบางทีมันสับสนหน่อยมันแฟชั่นเป๊ะๆแล้วกันแล้วก็ไม่รู้จะจะทักยางไงก็ให้เสือมิดให้มีอะไรนิดหนึ่งบ่งบอกว่าเอออันนี้ให้อสลาอโมเลกุลไม่ว่าอะไรตัอเนื่องหมายถางว่าสม่ำเสมอนะก็ได้ได้ คือดูรีเนี่ยมีฮะดีที่บอกว่าก่อนสี่แล้วก็หลังสองใช่ไหมแล้วก็มีฮะดีที่ามันบีเคยทำสองแล้วก็หลังก็สองอุลเลมาเขาบอกว่าก็ทำได้ทั้งทั้งสองสองรูปแบบอะไรแต่ในกรณีที่นบีละหมาดสี่เนี่ยส่วนมากในการละหมาดสุนนหนานบีละหมาดทีละสองวันมีฮะดีซีถึงแม้ว่าดรายน่อยเนี่ย حديث صحيح ในบันทึกของบุ khari อนนตอนเลีการละหมาดกลางคืนมัสนะมัสนะทีละสองทีละสองแต่มันมีของอับดุลาวุธนบีบอกว่าตอนนตุนเลีวันนฮะริมัสนะมัสนะการละหมาดกังวันและกลางคืนทีละสองทีละสองการละหมาดหมากาละหมัดสุนนนะตรงนี้อัลลาบอกว่า حديث ของอับดุลาวุธเนี่ยเพิ่มคำวันน่ะฮะนี่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันมีหลักฐานว่าท่านนบีลลลยเเคยละหมาด ศี่ลกาดรวดเดียวเคยแสดงว่าสามารถทําได้รวดเดียวนี่หมายถึงว่านั่งละหมาดสี่นั่งตะหิยะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายครั้งเดียวสามารถทําได้นะครับแต่ที่ดีกว่านี่คืออะไรคือละหมาดทีละสองถ้าเราอยากจะละหมาก็ได้กันคืนก็เช่นเดียวกันนบีก็เคยละหมาดรวดเดียวทีละละหมาดสี่สี่สสามสีกับสามก็คือสิบเอ็ดนั่นแหละสี่สามนบีก็เคยทํา ใน บ, บีเคยละหมากรวดเดยียวมากกว่าสี่นะละหมากรวดเดยียวก้าก็เคยเจ็ดก็เคยก้านี่ยังไงอ่ะละหมาดแปรวดเดียวแล้วก็มานั่งตาหยาดระกาที่แปดแล้วไม่สลามนะลุกขึน้นละหมาดอีกหนึ่งระกาหนึ่งเป็นวเวทเนี่ยแล้วก็สลามสมละหมากรวดเดียวได้ครับ เ, อ เ, ออ เ, อเร็วขนาดนั้นไม่ต้องละหมาดตาม ด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งละหมาดไม่ซ้อสองเหนื่อยไอเ่งมาละห่านั้นไม่คุ้มนะไปละหมาดเองดีกว่าครับมีคำถามอีกไหมครับไม่มีนะครับสสานกลหรอ